ทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจะบวงทั้งที่เป็นของทริปทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นต้นอยู่ไหมแม้พวกเธอทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นแล้วจะบวกทั้งที่เป็นของทริปทั้งที่เป็นของรู้ก่อนวิ่งเกิดทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายท่งเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นต้นอะไนี่สัตว์ที่มีดวงตาคือทุลีในดวงตาน้อยจะยังมีอยู่ใช่ไหมก็จะได้ประโยชน์และตอนนั้นพระองค์ก็ ไปประทับอยู่ที่ไรไฟอะต่อมามีพัทธวัคีสามสิบใช่ไหมที่ไปอาบน้ํากับเอผู้หญิงแล้วผู้หญิงรักห่อผ้าที่มีเงินแล้วก็วิง่งแล้วก็หนีไปต่อมาก็ตามหาเขาไปเจอพระเจ้าแล้วไปถามบอว่าเห็นผู้หญิงวิ่งมาทางนี้ไหมพระเจ้าก็ถามบอกว่าพัทธวัคคีการแสวงหาตนกับแสวงหาบุคคลอื่น อย่างไหนประเสริฐ <laughs> กว่ากันเพราะชาวสไวงาตนเนื่อหลักก็คือว่าเออสิ่งที่ควรจะหาก็คือรู้จักตนเองให้ชัดนะเข้าใจใช่ไหมก็ เ, เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมานานแล้วทั้งๆ ท, ที่เราอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรากลับเป็นผู้ที่หลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสเองประหลาดไหม อยู่กับขันธ์าตุยตนะแต่เราไม่ฉลาดในขันธ์ธาตุยตนะแล้วอยู่กับเขามาอย่างยาวนานด้วยแต่ก็มีมิจฉาทิฏฐิและมีโมหะปวกปิดจะจนไม่สามารถที่จะแทงตลอดอะไรได้เลยไม่ใช่ไม่สามารถกําหนดว่านี่ทุก์นี่อะไรเกิดทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถกําหนดความดับของสังสารวัฏได้แล้วก็ไม่เห็นปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับถึงลังสารวัตตัวนี้ประหลาดมากอยู่กับทุกไม่เห็นทุกใช่นี่เออแปลกเป็นเรื่องแปลกจริงๆใช่ที่จริงถ้าอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราน่าจะเห็นเขาใช่ไหแต่แต่ก็ไม่เห็นปะในในตรงเนี้ยท่านก็บอสอนบอกว่าบุคคลบางคนในโลกเนี้ย บางทีก็ไปกําหนดหมายใช่ไหมไปกําหนดหมายเกี่ยวในเรื่องของนั่นแหละเห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปเป็นต้นนะ่ะในชั้นของดีกาท่านขยายเข้าไว้ลองดูตัวยอย่างท่านยกนะท่านยกบอกเมื่อเอ่ยถึงรู ป, ปากายนะเกี่ยวกับถึงรูปเนี่ยวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบาเนี่ย ตรงนี้ก็คือเห็นรูปคือปัทวีธาตว่าเป็นอัตตาเห็นเห็นปัทวีธาตว่าเป็นอัตตาถ้าเอ่ยถึงสภาวะธรรมอื่นหรืออัตตาที่พ้นจากสภาวะธรรมบอกวันนี้กายของเราหนักนะยกกายขึ้นก่อนแลว้วบอกกายของเราของเราเนี่ยมันหนักกายของเราเนี่ยเบาเนี่ยก็คืออัตตาว่ามีปัทวีธาต ไอตัวอัตตาเนี่ยมีปฐวีธาตุอยู่อัตตานี่มีอาโปธาตุอยู่อัตตานี่มีวายโยธาตมีเตโชธาตอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ อ, อีกความหมายหนึ่งใช่ไหมเพราะในความที่บอกว่าในกรณีที่บอกว่าเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาก็ยึดมั่นบอกว่ารูปนั่นแหละเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นข้อแรกที่ผ่านมาไง ก็ไปเห็นปัทวีธาตุเป็นตัวเป็นตนเห็นอาโปธาตุเป็นตัวเป็นตนเห็นวาโยธาตุเป็นตัวเป็นตนเห็นเตโชธาตุเป็นตัวเป็นตนเห็นจักขุประส萨ตเป็นตัวเป็นตนโสตป萨ตเป็นตัวเป็นตนคาณาป萨ตชิวหาประาตกายะป萨ตไล่ไปที่ว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้แปลว่าไร่รูปรูปทั้งหมดแล้วแล้วในสุดจริงๆก็เห็นอะเห็นหัตยาวัตถุว่าเป็นตัวเป็นตนใช่ไหม เห็นชีวิตเป็นตัวเป็นตนเห็นอิทธิภาวะเห็นปุริสภาวะด้วยความเป็นตัวเป็นตนก็ว่าไปเราเห็นจริงๆว่าเราเนี่ยเป็นหญิงเราเนี่ยเป็นชายไปเลยเห็นงั้นจริงๆเลยนะนะเข้านะเข้าก็ไปเห็นกายวินญาตว่าจิวินญาตว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวกายไหมเราเดินไงใช่ไหมวิจิวินญาตก็เห็นเราพูดเราเห็นพูดใช่ไหมเขาว่ากันไปอย่านี้นะเห็นความเบา ว่าเราเนี่ยวันนี้กายเราเบาความอ่อนความคลวนหม้วันนี้เราคล่องแค่วเนี่ยนะเห็นอุปัจญาสันตติชราตายไหมอันนี้จะตาเห็นว่าเราเกิดเราแก่เราตายเราเราจุติไปเลยอมันมีเราครอบงามไปหมดในรูปยี่แปดเลยเห็นไหมเห็นรูปด้วยความเป็นเห็นรูปนั่นแหละว่าเป็นอัตตาเป็นเห็นรูปนั่นแหละว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นอย่างนี้ไหมอยียงข้อแรกนี่เห็นไม่ยากใช่ไหม เพอหมุนอีกข้อนี่เนี่ยเห็นอัตตาที่มีรูปบ้างเห็นอัตตามีรูปเย็ดมั่นอัตตาของเร า, า่มีอยู่ในรูปในข้อนี้สิไปเย็ดมั่นอัตตามีอยู่ในรูปเนี่ยตรงเนี้พวกเริ่มเข้าใจยากแล้วไปเข้าใจว่าอัตตามีอยู่ในปฐวีธาตุเราอะไปมีอยู่ในปฐวีธาตุใช่ไหม ในปฐวีธาตุก็มีอยู่ในผมใช่ไหมถ้าใครทำลายผมของเราก็ชื่อว่าทำลายเราด้วยเพราะเรามีอยู่ในผมนั่นเขยย้าใจยังใช่ไหมแยกอันแรกธนูปอมมาเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้ปัจจัยใช่ไหมแสงไฟ แสงไฟกับไฟใช่ไหมนั่นแหละอุโมาในลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าคําว่าเห็นอัตตายึดมันอัตตาของเร า, ามีรูปเนี่ย<ม>ก็อย่างที่ได้กล่าวตรงนี้ที่บอกบอกว่าวันนี้กายของเราหนักวันนี้กายของเราเบาเนี่ยนะ ก็คือเห็นอัตตาว่ามีปฐวีธาตุที่อธิบายไปจะสลับกันจะโม่งเงี้ยเดี๋ยวนึกออกก่อนเมื่อกี้ว่าไงนะฮะเมื่อกี้ว่าไงนะเดี๋ยวเดยมันจะสลับกันเดี๋ยวจะมาการเป็นบุญหลงในมิจฉาทิฏฐิซะเองเนอะเมื่อกี้บอก <c oughs> ว, ว่าเห็นอัตตาอัตตามีรูป <c oughs> ใช่ไหมคือยึดมั่นบอกว่ า, วาอัตตาของเราว่ามีอยู่ในรูปอัตตาของเรานะ่ยมีอยู่ในรูปใช่ไหม ก็หมายความบอกว่าตัวอัตตาตัวตนของเรามีอยู่ในปัทวีธาตุตัวตนของเรามีอยู่ในอาโปธาเตโชธาตุวาโยธาตุมีอยู่ในจักรคุปสจ์ใช่ไหมไอเราเนี่ยไปอยู่ในจักรคุป萨จ์เนี่ยยังบอว่าถากว่าไอตัวจักรคุป萨จ์มันบอดขึ้นมาเนี่ยตาเราบอดไหมตาเราบอดใช่ไหมไอเราอยู่ในจักรคุป萨จ์ไหม มีอยู่จริงๆไหมในจกักรวาลมีเราอยู่ในนั้นไหมถ้าเรามาพิจารณาดูบางทีมันไปคิดเจรนาอย่างนี้นะว่าเป็นตัวรู ป, ปรขันเนี่ยนะเหมือนเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึง่งตัวนามทาทํามันก็ไปสิงอยู่อ่ะเหมือนไปสิงอยู่ในนั้นนะไปสิงอยู่ในรูปเนะ่เหมือนอย่างนั้นเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เข้าใจว่ามันมีอยู่ในนั้นจริง แต่จริงๆมันไม่มีมันไม่แม้การอาศัยกันเกิดขึ้นก็ไม่ได้อาศัยด้วยการเป็นสิงอยู่อย่างนั้นนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วไปสำคัญว่ามีตัวมี ต, มตนอยู่เข้าไปสิงอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตรงนี้ก็คือบอกว่าเมื่อกล่าวว่าวันนี้ความหนักเกิดในตัวเราเนี่ยนะหรือความเบาเกิดในตัวเราก็คือเห็นปฐวีธาตุในตาอันนี้กลุ่มหนึ่งเห็นปฐวีธาตุในตา เห็นรูปในอัตตานี่ข้อที่สามเห็นรูปในอัตตาเห็นรูปมาอยู่ในเราอีกทีจริงใช่ไหมเห็นรูปมาอยู่ในเราอีกทีเมื่อเอ่ยว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักอันนี้เรากลับไปอยู่ในรูปอีกทีเนี่ยในเนี้ยนะอัตตาอยู่ในรูปคือย่อมยึดมั่นว่าอัตตาดํารงอยู่โดยอาศัยรูปดํารงอยู่โดยอาศัยรูป วันนี้ตั้งอยู่ในความหนักวันนี้ตั้งอยู่ในความเบาเนี่ยคือเห็นอัตตาในปฏิวิทักษทั้งหมดนี้คือความเป็นสักยะทิฏฐิที่เวียนมาสีอรอบในปฏวิทักษในบรรดารูปยี่สิบเ็ดอื่นก็กล่าวตามสมควรเพราะทิฏฐิย่อมเป็นไปด้วยอณิจตารูปความไม่เที่ยงของรูปโดยไหนว่าเราจะตายหรือเราจักตายเนี่ยจึงมีจึงมีควรจะกล่าวถึงรูปอื่นโดยสรุปก็คือว่าเรามีความเข้าใจผิดทั้งรูปยี่สิบแปด ตรงนี้ถ้าหากว่าอันนี้คือในกลุ่มของรูปขันโดยสรุปก็คือว่าท่านจะเป็นสี่ลักษณะก็คือรูปไอ้ข้อแรกเนี่ยไม่ยากก็หมายความเป็นสาคัญเป็นอันเดียวกันเสียกับรูปกับอาตาัอาตอากับรูปเนี่ยนะทุกรูปเนี่ยสําคัญเราเป็นตัวตอนอันเดียวแยกก็ออกจากกันไม่ได้ใช่ไหมเหมือนไก่แสงสว่า ง, งทั้งที่ได้กล่าวนี่นแหละกับเปลวไฟนั่นแหละ แยกยังไงก็แยกไม่ได้ว่างนั้นเอาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเป็นต้นเหล่านี้ยพอพระธําราชที่สองเนี่ยอัตตาที่มีรูปบ้างก็หมายความว่ายึดมั่นว่าอัตตาของเรามีอยู่ในรูปนี้ตัวอัตตาไปมีอยู่ส่วนข้อที่สมบอกว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาย่อมยึดมั่นบอกรูปดํารงอยู่โดยอาศัยอัตตาเออไม่ใช่ข้อที่สีข้อที่สเห็นรูปอยู่ในอัตาก็หมายความบอกว่ายึดมั่นรูปดํารงอยู่โดยอาศัยอัตตาข้อที่สี่ เห็นอัตราในรูปอันนี้กลับไปเกี่ยวกันในเรื่องของอัตราตัวตนเนียกลับมาตำลงอยู่โดยอาศัยรูปมีความตำรงอยู่อย่างเนี้ยเอพูดไปพูดมาเหมือนงงงงไหมงงไหมงงใช่ไหมงงเดี๋ยวว่าจะไม่หยิบตรงนี้มาแล้วเอพูดไปพูดมาเหมือนจะงงเนี่ยเนี่ยคืออย่างเงี้เอาเห็นรูปอย่างเดียวก็พอเนาะคืออย่างเงี้ย ก็คือบอกว่าในเห็นรูปด้วยความเป็นตนนะบุคคลบางคนจะเห็นปัทวีธาตด้วยความเป็นตนก็คือเห็นปัทวีธาตุและตนไม่เป็นสองปัทวีกสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดปัวีกสินก็อันนั้นเปรียบเสมือนประทีปน้ำมันกับกําลังลูกโพองนะบุคคลเห็นแสงไฟเห็นแสงเห็นไฟก็แสงสว่างเป็นไม่เป็นสองเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะแสงสว่างอันใดไฟก็อันนั้นไฟอัใดแสงสว่างก็อันนั้นเนี่ยนะ ชั้นใดบุคคลบางคนก็เหมือนกันเห็นปฐวีกสินโดยความเป็นตนหรือเห็นปฐวีกสินและตนไม่เป็นสองปฐวีกสินอันใดเราก็ น, นั้นเราใดปฐวีกสินก็อนนั้นอันนี้อันนี้ไม่ยากใช่ไห ม, ไมความโรคปคำโด้วยความถือผิดไม่ใช่วัตถุวัตถุก็ไม่ใช่ต่างก็ว่าไปทีนี้ยคืออย่างนี้ถ้าในกรณีเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของปฐวีกสินเนี่ยไม่ยาก เพาเป็นการยึดถือภายนอกดังที่ได้กล่าวแต่ในที่เนี้ยเวลามากล่าวในกรณีที่ว่าเห็นรูปด้วยความเป็นตนเนี่ยเห็นรูปด้วยความเป็นตนเนี่ยอันนี้ก็คือว่าอัไม่ยากในข้อแรกก็ดังที่ได้กล่าวก็หมายความว่าสำคัญปฐวีธาตุอาโปธาติตโชธาตุวายโยธาเห็นด้ยความเป็นตนแยกกันไม่ได้เลย <c oughs> เห็นด้วยความเป็นตนเบสเสร็จอันนี้ง่ายแล้วเนาะ <c oughs> ทีนี้บุคคลบางคนเนี่ยนะเห็น <c oughs> <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนนี่แหลเป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีลูกด้วยลูกก็หมายความบอกว่าย่อมเห็นตนว่ามีลูกเปรยะเสมือนอะไรไปสำคัญหมายตัวเหมือนมีกลุ่มนามาทำ ต้นไม้มีเงาบุรุษก็พูดกันถึงต้นไม้อย่างนี้วันนี้ต้นไม้นี่เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาก็เป็นอย่างหนึ่งในกรณีข้อที่สองเนี่ยต้นอุปมาก็เหมือนกับต้นไม้กับเงาของต้นไม้ก็ก็หมายความบอกว่าเห็นอัตตามีอยู่ในรูปบ้างย่อมย็ดมั่นว่าอัตตาของเราเน่ยมีอยู่ในรูปและเห็นเป็นสองอย่างเลยนี้ใช่ไหมเหมือนต้นไม้กับเงาของต้นไม้ใช่ไหม เหมือนต้นไม้กับเงาของต้นไม้ถามบอกว่าย่อมยึดมั่นว่าอัตตาของเรามีอยู่ในรูปนี่หมายถึงอะไรอะไรเป็นต้นไม้ไหมเห็นรูปเหมือนต้นไม้เห็นอัตตาของตนเองเหมือนเงาของต้นไม้ไอ้เงาของต้นไม้ก็เลยอาศัยอาศัยอะไรอาศัยต้นไม้ใช่ไหมเนี่ย ลักษณะไปเห็นในกรณีอย่างนี้เลยไ ป, ไปอยู่ในข้อที่สองที่นี้มองยากไหมอธิบายไปอธิบายมายากใช่ไหมอธิบายไปอธิบายมาเ่ค่อนข้างใหญ่า ย, ยากเพอเอิญเพาอิญถ้าหาเรียนในชั้นของมัชิมัโทมาแล้วเนี่ยนะอธิบายในแนวนั้นจะไม่ค่อยยาก แต่นี่พอไปเจอจำนวนอย่างเงี้ยดูเหมือนจะยากเพราะในแนวนั้นต่างๆท่านก็จะเอาตรงนี้ไป อ, อุปมาแต่ท่านก็ใช้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้นี่จะไม่ต่างกันตรงนั้นทีนี้ถ้าหากในคําสอนตรงนี้จะบอกว่าอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่สามเห็นรูปในในอัตาก็ยึดมั่นว่ารูปดำรงอยู่โดยอาศัยอัตตา ในข้อที่สามบอกว่าปุตุชนในโลกเนี่ยท่านเห็นว่าท่านอุปมาเหมือนอะไรดีเห็นรูปในอาตาเนี่ยนะโดยความบอกว่าเห็นรูปในาตาเนี่ยหมายความว่าย่อมยึดมั่นว่ารูปดำรงอยู่โดยอาศัยตาเนี่ยนะอุปมาตรงนี้ท่านอุปมาบอกว่าดอกไม้นั้นอย่างหนึ่งอย่างนี้ว่านี้ดอกไม้นี้กลิ่นหอม ดอกไม้เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมก็เป็นอย่างหนึ่งแต่กลิ่นหอมนั้นแลมีอยู่ในดอกไม้นี้ชื่อว่าย่อมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม้ชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันนี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเราในตัวตวนของเรานี่นะมีพวกทิศถี่นี่แหละมีพวกทิศถี่นี่แหละไอ้ตัวตวนเหล่านี้ไปไปอาศัยท่านก็เลยอุปมาบอกว่าดอกไม้กับกลิ่นของดอกไม้ ถาว่าดอกไม้กับกลิ่นของดอกไม้เนี่ยก็รวางต้นไม้กับเงาของต้นไม้นี่เหมือนต่างกันไหมต่างกันคือในข้อที่สามเห็นรูปโดยในอัตตาย่อมยึดมั่นว่ารูปดำรงอยู่โดยอาศัยอัตตากลิ่นดำรงอยู่เพราะอาศัยอาศัยดอกไม้ฉะนั้นรูปเนี่ยถ้าไม่มีอัตตาแล้วรูปจะอยู่ได้ยังไง นั้นต้องมีอัตตาสิงอยู่รูปยิงอยู่ได้ถ้าอัตาไม่สิงอยู่รูปอยู่ไม่ได้ฉะันรูปดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยอัตตาใช่ไหมกลิ่นอาศัยอยู่ได้ต้องอาศัยดอกไม้ฉันรูปทุกรูปจะดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอัตตาฉนั้นอัตตาที่จะต้องทําให้ลุกให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้พูดจะต้องมีอัตตาอยู่จะต้องมีอัตตาอยู่ในการจะดูจะแลอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม จากนั้นกลิ่นเนี่ยมีไม่ได้เลยถ้าปราศจากดอกไม้อย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> พอจะมองเห็นใช่ไหม เ, เดี๋ยวพูดไปเดีย๋ยวอามาก็จะลืมอีกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดลำบากเกี่ยวกับอามาไม่มาไ ม, มาไม่ได้ขีดไว้ไงข้อสุดท้ายเห <c oughs> ็นอัตตาในรูปตรงนี้ย่อมย็ดมั่นว่าอัตตาดํารงอยู่โดยอาศัยรูป <Okay. S 1> อันนี้ท่านอุปมาอ ย, อย่างนี้ โอปป้มาบอกว่าแก้วมณีแก้วมณีที่อาศัยหีบไอตัวแหวนเพชรน้จินดากแก้วมณีอนนีงหลายต้องใส่ไว้ในหีบใช่ไหมนี่เขามีความเห็นบอกว่ายึดมันว่าอาัตตาดารงอยู่โดยอาศัยรูปรูปเหมือนหีบเลยตัวเนี้ยใช่ไหมรูปเหมือนเหมือนหีบเลยอัตตาเหมือนแก้วมณีอนะฉะนั้นตัวอัตตาเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในนั่นอาศัยอยู่ในหีบอยู่นั่น ใช่ไหเราไปค้นหาก็อยู่ในนี้ว่างั้นนะในข้อสุดท้ายเนี่ยอธิบายแค่ น, นี้พอแล้วมั้ง<อ> <c oughs> นี่นะใช่ไหมก็จะเป็นไปลักษณะอย่างเงี้ยโดยสรุปก็คือมีความเข้าใจผิดไปสําคัญว่าอัตราน่ยมีตัวมีตนอยู่จริงๆรใช่ไหมเปสําคัญผิดอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าพอพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของเมื่อพูดบอกว่าเราเคยบริโภคสิ่งนี้บริโภคอยู่ในวันนี้ เนือจากบริพุต่อไปว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ก็คือเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาใช่ไห เ, ออเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เนี่ยต่สำคัญว่าเวทนาเนี่เป็นอัตตาเช่นพอเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีความสุขโหวันนี้เราสุขมากสุขจริงๆวันนี้ฟังแล้วชื่นใจมากเข้าใจวันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจทุกข์ใจเนี่ยนะ นี่เราไปสาคัญว่าเราเนะี่ยเป็นผู้ไปเข้าใจใช่ไหมเราไปไปเสวยความสุขความทุกข์จากความเข้าใจอีกทีนะความเข้าใจคือปัญญาใช่ไหมแต่เราไปสําคัญใ้สุขทุกข์กที่มันเกิดขึ้นมาเนะี่ยเป็นเราเราเข้าไปเสวยเอาเกิดเกิดอยู่ต่อมามีคนด่าใช่ไหมแล้วก็ทุกข์ใจเนี่ยนะ้ทุกเนะี่ยมันเราเร า, เราเนี่ยเป็นทุกข์บริโภคอาหารเนะี่ยก็เห็นบอกให้ชัดหน่อยการกินอาหารเนี่ยเขากินเข้าไปเรามันเกิดความสุขใช่ไหม เราสำคัญว่าเราเรามีความสุขแล้วก็เรามีความทุกข์จริงๆแล้วเรามีอยู่จริงไห ม, ไมไสุขหรือโสมนัสที่เกิดขึ้นทางใจจากการบริโภคอาหารนั้นคือสภาวะของเวทนาไมเวทนาได้เหตุปัจจัยโดยการได้อาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเพราะเกิดความสุขกายขึ้นมาใจก็พลอยนะเพราะร่างกายไม่โหยไม่ไหม ก็เกิดแข็งแรงขึ้นมาแล้วไอ้ตัวโสมนัสเวทนาทางใจก็เข้าไปสเสวยอารมณ์ก็เลยเป็นสำคัญว่าไอ้ตัวเวทนา น, นั้นเป็นเราแล้วเป็นอย่างนี้จริงไหมแล้วเราเคยแกะออกมาบ้างไหยตรงนี้ความรู้สึกฮะเวลาไปบริโภคใช่ไหมให้เขามันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะกระทาะความเข้าใจถูกได้เลยนะแล้วก็ปัดความเข้าใจผิดออกได้เลยนะ สามารถที่จะเคลียวความก็ใจผิดออกได้เลยนะแบบเนี้ยก็ไปสังเกตบ่อยๆใช่ไหมถามว่ามีเวลาไหนบ้างที่เราจะไม่สุขหรือทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดตลอดเวลามีอารมณ์ยี่ให้เราวิจั ย, ยตลอดเวลาอยู่แล้วให้เข้าใจว่าวิทนาเหล่าเนี้ยเป็นสภาวะที่เขาเข้าไปสวยรถของอารมณ์เขาทํากิจของเขาไม่ใช่เราใช่ไหม แล้วก็ค่อยไปสืบค้นเวทนาเกิดจากปัจจัยจะให้เข้าใจตัวเวทนายชัดก่อนนะพราเข้าใจเวทนาให้ชัดเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปได้สืบค้นเหตุปัจจัยของเวทนาว่าเวทนานะั้นเกิดแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนจริงๆเมื่อเหตุปัจจัยเกิดเวทนาเกิดเหตุปัจจัยดับเวทนาดับยังไงก็ไปวิจัยมากๆนี่นะในที่สุดจริงๆที่ได้เข้าใจเวทนาสักทีว่าเวทนานั้นไม่ใช่อัตตา น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะตัวเวทนาในเวลาพิจารณาแล้วมันชัดแล้วยิ่งไปศึกษาในเวทนานุปัสนาสติปัานแล้วก็จะเริ่มชัดมากขึ้นใช่ไหมนั้นต่อไปเราจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าแม้เรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้สวยความสุขหรือเราเป็นผู้สวยความทุกข์ออกแมาเวลาคุยคนนี้เรามีความสุขคุยคนนี้เรามีความทุกข์ไงนะแท้จริงเรามีไหมไม่เนี่ยมีตัวเรเวทนาเท่านั้นเองเวทนาเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมมีภาษาเป็นปัจจัยใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นก็ก็ไปใครควรพิจารณาของเขาไปเรื่อยๆก็เห็นเหื้อปัจจัยของเขาก็เห็นโดยปัจจัยไงพอเข้าใจสภาวะของเวทนาชัดเจนแล้วนะครับล้วก็ถอนสักกายที่ถีออกจากความเข้าใจผิดในเวทนาได้ใช่ไหมในขณะนั้นก็เอาสมาธิถีสมาอวยมะสมาสติไปแวดลอ้อม สมาธิถี่เรื่อยๆขยายวงของสมาธิิมากขึ้นและวในสื่อจริงก็สาวหาดูปัจจัยของเวทนาใช่ไหมการณ์มนุษการก็จะเกิดขึ้นโยนิสโมนุษการก็ไข้ควรดูว่าเวทนาเกิดจากเหตุจปัจจัยแต่ก่อนเราเข้าใจผิดว่าเวทนานี่เป็นเราความต้องการก็จะหาย อ๋ออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเลยเออคืออย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มหากุสลสมนัสเกิดขึ้นโในการปลารบกุสใช่ไหมเอายกตัวอย่างปารบทานในกุศล ไม่เห็นชัดหน่อยก็คือว่าเราให้ทานเนี่ยบริจาคทานเบตเตอร์เหล่านี้สละทานเนี่ยโอ้ยมาพิจารณาไปแล้วนันไดบําเพ็ญทานบารมีอย่างไยก็พิจารณาไงกรณีาการพิจารณาคือพิจารณาในขณะที่บอกว่าทานบารมีเนี่ยเป็นทางเดินของพระบุติศาสตร์ทั้งหลายใช่ไหมเพราะในทานบารมีเหล่านี้ไม่มีตัณหามานณทิฏฐิใช่ไหมเป็นอารภทานใช่ไหมเออพิจารณาอารมพทานยังไงเจตนาทานยังไงวัตถุทานยังไงก็คลายควนไป อโลภาทานก็คือการสละ ก, การตัดความตณีความหวงแหนต่างๆ ต, ตัดขาดออกจากใจได้จริงๆด้วยใช่ไหมเป็นอโลภาทานเจตนาทานคือก่อนให้ขณะหให้หลังให้ก็เป็นแค่ควรดูตรงนี้นะครสรุปแล้วเป็นกลุ่มนามธรรมใช่ไหมเป็นกลุ่มนามธรรมใช่ไหมตัว น, นี้พอพิจารณาไปางี้เราได้เดินตามล่องรอยของพระบริสัทธ์พระบริสัทธ์ท่านทําล่องรอ ย, อยงี้นี้ไปทานบารมีแล้วของเราพอความเข้าใจอยีกนี้ปราโมดก็เกิดขึ้นสมณะก็เกิดขึ้นเพราะมหากุศนก็พิจารณาทันทีแต่เ น, นี้ยอ้าวแต่เต น, นี้ย หมาโกศลสสมนัสด้วยใช่ไหมเป็นญาณสัมปยุตเป็นต้นด้วยปัญญาก็ไปไขควิจารณาอโศมนาที่เป็นสภาวะของเวทนาเออเวทนาตอนนี้กําลังทํากิจมากพวโสมนาสเวทนาเออมีศรัทธาเป็นประธานบ้างมีโสมนัสเกิดขึ้นจากการปารบคุณของพระบรมศาสดาที่ท่านมีทานบารมีเป็นร่องรอยในการเดินทางของท่านเออพรพะพิจนารณาในลักษณะนี้ไปพิจนารณาเห็นตัวเวทนา เห็นสภาวะของเวทนาอ้เวทนานี่ไม่ใช่เราเป็นผู้เสวยเวทนานะแท้จริงเป็นตัวเวทนาเป็นผู้เสวยเป็นผู้เสวยเพราะอะไรก็ไปไข้ครวญบอกว่าเจตนาทานก็เป็นกลุ่มนามนธรรมอโลพาทานก็เป็นกลุ่มนามนธรรมนี่สังขานเหล่านี้ไม่ใช่เราหมดเลยใช่ไหมนั่นเป็นวจารณากระทบไปได้หมดแหละสังขารเหล่าเนี้กลุมกุศลจิตวิบาก ท, ทั้งสิ้นเหล่านี้ย แท้ที่จริงก็คือกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ปารบมีเจตนาทานมีอะโลพาทานที่วัตถุทานที่จริงก็คือดินน้ำไบลมที่เข้าข้าวอาหารเป็นต้นเนี่ยเอาวินิโพครูปทีนี้พอไปเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมพอสมานะเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เบีเสร็จก็เกิดความเข้าใจพอเข้าใจเบเสร็จเอา้านามธรรมาเหล่านี้ตั้งอยู่ตอนนี้หัตถเยวัตถุเอาหัตถเยวตถุก็คือตั้งอยู่ในมหาพุทธรูป กิจ ก, กรรมเอามากระทบกิจากจิตอวตตอาหารเป็นปัจจัยแก่การเชื่อมโยงเอาขันห้านี่ขันห้าเป็นผู้ให้ทานน่ะ mm hmm. ขันห้าเป็นผู้ให้ทานน่ะมีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเป็นต้นใช่ไหมแท้จริงเป็นกลุ่มของขันห้านะที่บริจาคมาพูดพิจารณาอย่างนี้เห็นล่องลอยของพระโพธิสัตว์แล้วศรัทธายิ่งตั้งมัน่นใช่ไหม mm hmm. นี่เห็นไหมว่าโอ้กลุ่มว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ทํา เหนไว่าสัตว์ทํากรรมไม่มีไหมผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับผลกรรมไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปจริงๆสัมมาทัศนะเกิดขึ้นมาแล้วเห็นสมนัตเห่นไหมเกิดขึ้นนะ่ะยิ่งยิ่งชัดเจนขึ้นมาเลยตอนนี้สัตว์ลอกสัตว์บุคคลออกคําว่าลอกในที่นี้เข้าใจไม่หลงในปรมัภิ์แะบัญญัตินะ่ะเข้าใจชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ทําความเข้าใจนี้ให้สว่างขึ้นให้มากขึ้นนะเข้านะเข้าที่บริจาค ที่เราให้ก็คือให้แกกลุ่มขันธาตุอยายตนะแล้วก็ขันธาตุเยตนะเป็นผู้ให้มหาโพธิโรปสมมติว่าวัตถุสิ่งของใช่ไหมเป็นสิ่งของที่จะให้ใหเจริญบ่อนจเจริญบ่อน คือคือจริงๆถามว่าเบื้องต้นจริงๆก็คือให้สําคัญว่าสมมนาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยปัจจัยที่ได้ก็คือว่ามีภาษาใช่ไหมเป็นเป็นปัจจัยเวทนาก็เกิดทีนี้ภาษาเหล่านั้นไปเกี่ยวข้องกับการที่เราได้เห็นใชได้เข้าใจ จากการนึกคลิกร่องลอยของการเดินทางของพระโพธิสัตว์เป็นต้นทั้งหลายเออเป็นบา ร, รมีธรรมต่างๆนเหล่านี้ยแล้วต่อไปจะเข้าถึงสภาวะทั้งทั้งน้อมถึงโพธรรมของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ต้องเข้าใจอย่างนี้แน่นอนยิ่งเกิดสมณัติใหญ่ว่าโดยความเป็นสัตว์บุคคลก็เข้าใจแล้วไม่ลุมหลงแล้วแม้จะแยกแยะพิจารณาให้ละเอียดท่องแท้ไปโดยความเป็นปรมัตา์ก็ชัดเจนขึ้น แม้สภาวะของโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นกลุ่มของนามธรรมเท่านั้นใช่ไหมคือโสมนัสเวทนาไม่ใช่เราเป็นผู้ดีใจเลยแม้แต่ศรัทธาเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็มีโสมนัสเกิดขึ้นก็เข้าใจในี่กลุ่มของสังขารว่าเออสัตย์ทินรีย์นี่ก็กลุ่มของสภาวะธรรมเท่านั้นเองแม้แต่เจตนาที่เกิดขึ้นต้องเป็นกรรมอย่างแน่นอนเป็นกรรมที่บุรุษสัตว์บ่มเป็นมาเราก็ได้บูชาคุณของพระเจ้าได้เดินล่องตามร่องลอยของท่านไอกรณีอย่างเนี้ย อ๋อขันห้าอายตนะและธาตุกาลังเกิดดับแต่กําลังสร้างโพธิไว้ในใจในกระแสขันธาตุอายตนะเดินตามล่องรอยของขันธาตุอายตนะที่เป็นสภาวะพุทธะที่ดับไปแล้วใช่ไหมขันธาตุ น, น, นั้นดับไปแล้วเหลือแต่สภาวะของพุทธะที่เราเคารพนับถือต่างๆเหล่านี้ก็ยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเข้าใจใช่ไหม นี่ความเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเหล่านั้นก็ถูกละถูกถอนถูกความเข้าใจนั้นเข้าไปครอบงำและในที่สุดจริงๆก็ไม่ล่มหลงในประวัติและบัญญัติแน่นอนต้องวิจัยแน่นอน ใช่การการวิจัยถามว่าเวทนาเหล่านี้เที่ยงไหม นั่นแหละในที่เกดจริงๆเวทนาเหล่านั้นก็ดับเมื่อเวทนาเหล่านั้นดับเดี๋ยวก็มีเวทนาเกิดเกิดเกิดขึ้นก็เห็นความเป็นไปเลยเพราะหนึ่งความเข้าใจชัดในเรื่องของนามรูปนะเข้าความเห็นความไม่เที่ยงแท้ของเวทนาเนี่ยนะเพราะเหตุปัจจัยของเวทนาไม่เที่ยงอยู่แล้วฉะนั้นตัวเวทนาจากเที่ยงไปที่ไหนก็จะเห็นชัดขึ้นในกระแสขันในในความเข้าใจของปัญญาที่เข้าไปวิจัยแล้วก็ไปสร้างส ม, มารถถี่สมเอามะส ม, มาสติในแวดลอ้อมสมารถถี่ขยายวงให้ลึกขึ้น อันนั้นลึกซึ้งขึ้นแต่จริงไหมจริงบางครั้งเราก็จะเห็นความเป็นไปของโทมานะเวทนาบ้างเห็นความเป็นไปของอุเบกขาเวทนาบ้างที่เกิดจากเหตุปัจจัยในส่วนจริงเราจะเข้าใจว่าโอ้เวทนาไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เองอ๋อเพราะปัจจัยของเวทนาไม่เที่ยงตัวเวทนาไม่เที่ยงอย่างไรก็จะเป็นไปในลักษณะนี้แต่บางท่านนะปรากฏไม่เหมือนกันนะบางท่านก็ตัวเวทนาปรากฏชัดบางคนก็ภาษาปรากฏชัดอะไรเงี้ยนนะแต่ถ้าโดยมากในเวทนาจะเด่นชัดอยู่แล้วหลายๆท่านเนี่ยนะก็ โดยมากถ้าเป็นกลุ่มของเทวดาทั้งหลายเนี่ยพระเจ้ามักจะสอนเอาเวทนาขึ้นไปสอนถ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากก็จะแสดงรูปประทรมก่อนอย่างนี้ไปดนนก็แล้วแต่สถานะนะแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าพิจารณางี้พอจะเห็นร่องรอยในการไข้ควรได้ใช่ไหมใครเคยคิดได้ถึงขนาดนี้ยังยังเลยนะก็ไปไข้ควรยากไหมถ้าคิดอย่างนี้ยก็ฝึก ใครควรไปได้ไหนส่วนจริงก็ได้ใช่ไหมหมอคิดนี้ได้ยังเอางี้นะถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นนามโลกนี้สมนัตลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพิ่ม <c oughs> เพิ่มแ น, น่นอน <c oughs> เพิ่มมากความเข้าใจตรงนี้อาการน้องก็ไปในพระนิพพานชัดขึ้น แ น, น่นอนโอ้ยเป็นโสมนัสอย่างยิ่งด้วยถ้าเข้าใจตรงนี้เป็นโสมนัสอย่างยิ่งด้วยเป็นโสมนัสที่ไปเข้าใจโดยความเป็นปรมัตย์และบัญญัติมากขึ้นใช่ไหมอาจารด้ไปไข้ควรในลักษณะอย่างเนี้แปลว่าชัดขึ้นแล้วก็สมนัสมากขึ้นด้วยแหมทั้งนั้นพุทธเจ้าทังตลอดอริยสัจทําไมสมนัสเปล่งปังขยายขนาดนั้นใช่หมใช่ นั้นความการเห็นความจริงเนี่ยล่าเริงมากปัญญาจะล่าเริงมากเพราะปัญญาเนี่ยยินดีแล้วก็ชื่นชมกับความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความล่าเริงให้ปัญญาล่าเริงก็จะใช่ไหมนั้นปัญญาจะเกิดความล่าเริงมากบวกกับสมมนัตอย่างแรงเลยขอหเห็นเธอขอใเข้าใจเถอจะเกิดความล่าเริงไม่ใช่พอไปเห็นแล้วโอ้โหลอย่างนี้ไม่พิจารณาแล้ว แต่เลยในยุ่งเลยเนี่ยเน่ยไม่ใช่เลยจะไม่ได้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเลยจะมีความเข้าใจมากเลยเอาคิดว่ายากใช่ไหมเนี่ยนะแต่ว่าใครควร บ, บ่อยๆก็กลายเป็นของไม่ยากใช่ไหมใครควร บ, บ่อยๆก็เป็นของไม่ยากเพราะว่าสิ่งต่างๆเหตอนนี้เคยได้แล้วแล้วมันหลุดจากความเข้าใจไปหลายภพชาติใช่ไหมแต่กลับมารรคิดใหม่มันก็ดูจะเหมือนของใหม่แต่ที่จริงเป็นเรื่องเก่าเรื่องซ้ำซาก เพียงแต่เราไม่ได้ไประชุมมาร์กได้แค่นั้นเองสิ่งต่างๆตนี้เป็นร่องรอยเก่าที่เราเคยคิดได้ใช่ไหมนั่นก็เก่ามาคิดใหม่ถ้าคิดตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจ ด, ด้านวิปัสนาได้เลยแม้เสียดายเสียชาติเกิดใช่ไหมเสียชาติเกิดนะเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ยังวิปัสสนาญาณตรงสู่กระแสขันทาอศยนานะของเราท่านทั้งหลายได้อ่ะเสียมาใช้คำว่าเสียชาติเกิดเลย จะไม่ใช่เป็นคําตาหนินะแต่เป็นคําเตือนใช่ไหมว่ามันเสียชาติเกิดจริ ง, รงๆเรากูักาผู้ศักดิ์เกิดมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าหมดศาสนาพระเจ้าเนี่ยมันจะมืดมิดแล้วจะไม่เห็นกันแล้วกรณีที่จะมาไขว่คว้านแบบเนี้ยจะมีคําสอนให้เราเข้าไปวิจัยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีร่องรอยพระธรรมของสอนพระเจ้าพระศาสดา ย, ยังดงํารงยังประกาศพระธรรมอยู่เนี่ยใช่ไหมยังทํากิจของพระองค์อยู่เนี่ยนั้นตรงนี้ต้องรีบไขวคว้านแล้ว ถ้าต่อไปนะเราเกิดเคยกลายเป็นคิดอะไรไม่ออกสติปัญญาเราเกิดมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยใครเป็นผู้เสียหายขันธาตุายตนะอันนี้นี่แหละก็กลายไปต้องลุ่มๆดอนๆต่อไปก็ลําบากละหกละเหินไปการประชมุมกันที่จะมาฟังธรรมจะมาศึกษาพระธรรมเนี่ยมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆในสื่อจริงๆก็จะต่างคนต่างไปกันแล้วในสงสารวัฒนเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องจาก แล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วกลวจะมาหมุนกลับมาเจออีกทีอีกนานมากไม่รู้กี่แสนกลับใช่ไหมฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยเราเกิดมาทันศาสนาของพระ อ, องค์แล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเกิดทันอีกก็ยากโอกาสเนี่ยยากแล้วน้อยลงทุกวนันทุกวันเนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพเจ้าเนี่ยหรือการที่จะมาศึกษาการที่จะมาฟังการที่จะมาใคร่ครัวเนี่ยก็ยิ่งยากใหญ่ใช่ไหอ <c oughs> มาใช้คำว่าให้นับวันได้เลยนับถอยหลังทุกวันได้เลยไม่ใช่วันนับจะเพิ่มขึ้นถอยหลังทุกวันด้วยแล้วเร็วมากขึ้นประเดียววเด๋ยววันปรเดี๋ยววันแล้วในที่สุดจริงๆเราก็ไปกลายเป็นผู้เสียหายสิถามว่าชีวิตเรามีใครรับประกันไห ม, มไม่มีเลยพระญาติสักคนก็ไม่เคยมารับประกันเราเลยใช่ไหม แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเรามาเจอพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วในคําสอนต่งตางๆเหล่านี้ไม่ต้องลิงต้องต้องใคร่ครวญจริงๆต้อ ง, จ ร, งจริงไหมหมอเนีย่ยเป็นอย่างนั้นกก็ต้องรีบใคร่ครวญในการที่จะต้องดําเนินและโมระมาดอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งดีต้องรีบรีบใคร่ครวญฉนั้นในกรณีที่ถามว่าเวทนาเออมีใครฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมเรื่องเวทนานที่โยม ยมเก่งการบุนถามปัญหามายมาวัดนี่ยากหน่อยใช่ไหมเอายากไหมถ้าจะเรามองในเห็นด้วยความว่าสมมานาเวทนาเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยไปสําคัญสมมานาเวทนาหรือทมนาเสวทนาหรืออุเบียขาเวทนาว่าเป็นเราใช่ไหมไปสาคัญว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราเลยอ่พะพอเวทนาเกิดก็ เราก็เกิดเวทนาดับเราก็ดับอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนความบอกว่าพอเวทนาเกิดขึ้นมาก็ตัวเราเนี่ยแหละใช่ไหมสุขทุกพอสุขเวทนาหายไปเราก็โหเราเราก็พลอยหายไปพอทุกเวทนาเกิดขึ้นก็เอาว่าเราเกิดขึ้นมาอีกกรณีอย่างเงี้ยไปสําคัญเวทนากับเราเเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แปลว่าอะไรหนึ่งไม่เข้าใจลักษณะรักษาปัจจุบันประทัดฐานของเวทนาใช่ไหม ไม่เข้าใจว่าเวทนามีลักษณะการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วเวทนานั้นก็เกิดจากเหตุปัจจัยมีภาษาเป็นต้นเหล่านี้ยพอไม่เข้าใจลักษณะลักษณะหรือปัจจุบานประธานของเวทนาก็ก็เรียบร้อยเลยแต่เนี้ยก็เลยเป็นสำคัญว่าเวทนาเนี่ยเป็นเราไปแท้จริงไงคำว่าเราในที่นั้นเป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิเจตสิกนั่นแหละเป็นสำคัญเวทนาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเ็นเสร็จ ทัานถึงบอกว่าตัวทิฏฐีเนี่ยเขามีกิจของเขาอย่างก็คือว่าเขาจะต้องไปยึดสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงเช่นเวทนาเป็นของของเราเป็นเราเป็นต้นเหรอเนี่ยนะมันไม่มีอยู่จริงเขาไปยึดเมื่อยึดมากขึ้นมาขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในส่วนจริงสาตร์ทั้งหลายก็เลยไปสําคัญว่าเป็นเราส่จริงๆแสดงว่าเราโดนมิจฉาทิฏฐีเนี่ยเกี้ยกล่อมมาอย่างยาวนานใช่ไหม เรียกกลอบมาอย่างยาวนานนะี่ส่นจริงเราก็เชื่อเวเชื่อทิฏฐิไปแล้วว่ามันเป็นของเราจริงๆแล้วแล้วเวลาเราพูดเราก็ไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นภาษาเพื่อสื่อให้เข้าใจด้วยนะเช่นแม้วันนี้เราไม่สบายใจมเราก็ไปสําคัญไอตัวเราเนะี่ยไม่สบายใจจริงๆแม้วันนี้เราสบายใจเราก็ไปสําคัญว่าเราเนะี่ยสบายใจจริงๆวันนี้เรากินอาหารแม้อร่อย ก็เป็นสำคัญว่าอความอร่อยสมนะที่มันเกิดขึ้นจากการเสวยรสของอาหารนั้นเป็นเราเป็นผู้ไปเสวยจริงๆอย่างเงี้ยนะไม่เข้าใจสภาวะของเวทนาฮะ ตรงตรงนี้ปะเทดยอมต้องพูดย้ำอีกครั้งตัวอย่าง้่่าเวทนาก็อ๋อแต่ท่านก็นการอ๋อย้เอ๊ะต้องต้องถามอีกหน่อยตรงนี้ข้ออุปมาตรงนี้แล้วรู้รู้จักเวทนาทั้งคู่ไหม ที่สองสองบุคคล คาหมีนีกล่าวิวาตามีนีว่างั้นเถอะเออตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นกล่าวหรือเกลา่าถือว่ากล่าวได้ดีนะที่โยมตามไอ้พูดมาดบอกว่าหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นขันโดยความเป็นเวทนาขันเมื่อกี้อาธมาถึงถามลงไปบอกว่าที่ไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นเวทนาขันนั้นกลุ่มนั้นเขาเคยได้ฟังพระธรรมมาไหย เข้าใจไหมว่าเวทนามีสภาวะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นตรงเนี้ยซึ่งเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นจุดทิจิตต์อามาคิดเพราะเพราะถ้าไม่เคยฟังมาเลยเนี่ยเขาไปไปให้ทานรักษาศีลเขาไม่รู้ลักษณะลักษณะปฏิยปัฏฐานปฏิทฐานของเวทนาจริงแต่เขาก็ฟังทำเออแต่เขาก็ไปทําให้ทานแล้วก็ก็สมนะนัทเขาก็เกิดจริงๆริงีติเขากเกิดจริงๆถามว่าตอนนั้นบุญเขาเกิดไหมเกิด แต่ตัวปัญญาวิปัสนาปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ไม่เกิดใช่เขาเชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อไปในฐานะเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้ทํากรร ม, มแล้วก็สัตว์บุคคลเป็นผู้รับผลของกรร ม, มจริงอยู่ตอนที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะ่ะความเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลของเขาก็หายแน่นอน<ม>ใช่ไหมแต่กุศลประเภทนั้น<ม>เป็นกุศลที่มีมิจฉาทิฏฐิยึดไว้แล้วแวดล้อมไว้แล้วจับไว้แล้ว แปลว่าไม่ว่าจะเวรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นกุศลนั้นเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฐิเป็นอารมณะปัจจัยแก่มิจฉาทิฐิเป็นวัตคามินีกุศลใช่ใช่ใช่เป็นไปเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแห่งขันเนี่ให้ผลแห่งรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ต่างกันเนยอต่างกั น, กนใช่ต่างกันเพราะว่าอีกคนหนึ่งเข้าใจลักษณะรัศดะปะฺญาปทานปทัตฐานของเวทนาบอกว่าเวทนาเนียมีการเสวยรสของอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็เวทนานั้นมีการเสวยรสของอารมณ์เป็นกิจเป็นต้นนะมีการสวยอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็สวยรสของอารมณ์ไม่ว่ารสนั้นเป็นรสของสุขทุกขเวขาสมณะตมณะเนี่ย แล้วก็เวทนานั้นก็มีสุขและทุกข์เป็นต้นเหล่านี้เป็นผลปรากฏแล้วก็มีภาษาเป็นเหตุใกล้แล้วก็มีอวิชชาตนากรรมเป็นเหตุไกลเนี่ยความเข้าใจตรงนี้ต่างกันต่างกันสิ้นเชิงเลยเพราะว่าความเข้าใจในกรณีที่มีสุตตะตรงนี้มาอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วเขาพิจารณาว่าสมณสเวทนาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตนน่ะถ้าไม่ใช่ตนเป็นผู้กระทำอ่ะเป็นสภาวะของเวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัย แล้วก็เมื่อเวทนานั้นเกิดจากเหตุปัจจัยเขาก็ไม่ใช่เข้าใจอยู่เฉพาะแต่เวทนาขันอย่างเดียวใช่ไหมลามไปถึงธรรมที่เกิดร่วมกันกับเวทนานเหล่านั้นด้วยแม้ไปเข้าใจรูปธรรมด้วยเขาเห็น้วยความเป็นขันหา้าเป็นผู้ทากรรมอะใช่ไหม ใช่ใช่ อ๋อตตรงนี้ตรงนี้เราพอฟังจะประเด็นได้ไหมบอกว่าหมายความว่าไงกุยยอมบอกว่าการให้ทานอย่างไรกแล้วก็ปรารถนาไว้ในกรณีที่ต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการที่จะพ้นจะวะตะัตตากางั้นเถอะแต่ว่าตนเองไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เข้าใจในความเป็นขันธน์ธาตุอายตนะแต่ความความไม่เข้าใจตรงนั้นน่ะ เมื่อตอนเองตั้งจิตปรารถนาเพ่อความพ้นทุกข์แล้วจะเป็นอุบัิเสียปัจจัยความพ้นทุกข์ได้ไหมเอา้าความตั้งใจนี่ยได้แต่จะยาวไกลแค่ไหนอยู่ที่เหตุปัจจัยทั้งการตั้งใจก็จะออกจากทุกข์ทั้งที่ตนเองยังไม่รู้เลยว่าใช่ไหมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าก็เพียงแต่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์อะใช่ไหมหมายถ้าหากพ้นจากการเกิดได้คืยังเข้าใจเนี่ยยังมีอยู่ในร่องในรอยอยู่นะไม่ใช่ว่าปรารถนาปราถนา พนิพาหรือความพ้นทุกข์แต่ไม่เข้าใจสภาวะของพนิพาเลยเนี่ยอันนี้ก็ก็เหม็นนากลัวเหมือนกันคือแบบปรารถนาเอาก็พูดไงก็พูดตามเนี่ย <c oughs> คือคื อ, ค อ, คอตรงนั้นมีส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวว่าในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นหลายๆท่านก็เคยผ่านพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฉะนั้นกรณีที่ตั้งจิตไว้อย่างนั้นในกรณีที่เบื่อการกรูดก็แสดงว่าเขาต้องมีของเก่าพาอสมควรเนี่ยนะเป็นตัวอุดหนุนเนแต่ในอื่นจริงการปรารถนานั้นน่ะจักเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เขานะเข้าหาพระธรรมและไหนสนจริงจะทําให้เขาฟังธรรมได้ถ้าอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าปรารถนาแล้วในส่วนจริงเขาไม่มีโอกาสในการที่ไปเจอพระธรรมคำสอนเลยเนี่ยอันนั้นก็ต้องเรื่องยาวไกลจริงแต่ก็ชื่อว่าเขาตั้งไว้แล้วให้เขาตั้งไว้แล้ว ใช่ถูกเพราะการให้ผลด้วยการให้ผลเกี่ยวกับในเรื่องของวัตคามิณีกุศลวิวาทคามิณีกุศลนี่ชัดมากคนที่พิจารณาแยกแยะโดยความเป็นขันติธาตุอายตนาได้ค่อนข้างช่ำชองแล้วให้ทานด้วยแล้วเนี่ยบุญกุศลของคนเหล่านี้ของท่านเหล่าเนี้ค่อนข้างที่ชัดเจนมากแล้วไม่เป็นไปกับความลุ่มหลงเลยใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาเขาเข้าใจสัตว์บุคคลเนี่ยแล้วเข้าใจปรมัตเนี่ย แล้วเขาจะไม่ล้มหลงในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นเลยแล้วเขาเข้าใจทั้งสองส่วนแล้วก็ไม่ล้มหลงไม่ยึดติดอยู่ในทั้งสองส่วนใช่ไหมเขาก็ไม่จมแช่อยู่ตรงนั้นและในส่วนจริงๆความเข้าใจก็จะขยายวงกว้างขึ้นและในส่วนจริงๆความการการการปร่าถนาใดๆของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจในเป็นพื้นฐานอย่างนั้นด้วยแล้ว ถามว่าถ้าเข้าใจอย่างนั้นยังท่องแท้ชัดเจนมากขึ้นถามว่าอบายไม่ใช่ที่ไปของเขาุกติชัดเจนนะถ้าคนที่เข้าใจอย่างนี้นะแล้วก็มีกําลังใงการใคายควรพิจารณาต่อเนื่องเนี้ย mm hmm. เขาไม่ควรไปบายแน่นอนเพราะว่าเขาความเข้าใจของเขาชัดเจนขึ้นแล้วเขาเข้าใจเหตุเข้าใจผลใช่ไหมเข้าใจชัดเจนตรงนั้นด้วยนั้นตรงนี้แหละทํายังไงจะให้เกิดอย่างที่ว่าเนี่ยไอตรงนี้ทําไง นันก็อยู่ในการค่ายควรพิจารณาใช่ไหมซึ่งซึ่งไม่ยากเมื่อเรามีข้อมูลในการฟังพระธรรมกันพอสมควรเนี่ยฟังไปเรื่อยๆอันไหนไม่เข้าใจฟังแล้วฟังอีกทําไมจะไม่เข้าใจใช่ไหมมีการบันทึกอย่างเงี้ยง่ายมากถ้าเวลาานมาเนี่ ย, ยมาเอาไปฟังไม่กี่วันหรอกใช่ไหมก็ฟังทําไมตรงไหนสงสัยก็ฟังแล้วเด็กเาก็ทําไว้ดีใช่ไหมแทกละสามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็กดฟังได้ เอาทีทำไมังไม่เข้าใจฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไปใข้ควรไปขยายทำสมาธิติสมาวายมสาสมาสติเอาไปแวดล้อมสมาธิิแล้วก็สมาธิติสมาวายมสาสมาสติแวดล้อมสมาสังกปะก็ขยายวงของสมาสังกปะไปเอาสมาธิติสมาวัายมสาสมาสติไปแวดล้อมสมมาวจาขยายวงของสมาวจาร์กว้างขึ้นไปทุกเรื่องทุกเหตุการณ์แล้วก็สมาธิติสามาวายมาสมาสติไปแวดล้อมไป สมากรรมตะแล้วก็ขยายสมากรมตาให้มีกําลังมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็สมาธิสมาอวยมัสมาสติไปแวดล้อมสมาชีวะขยายสมาชีวะให้กว้างขึ้นมาแล้วก็สมาอวยมัสมาสติสมาธิิแล้ไปไปแวดล้อมสมาอวยมาสขยายสมาอวยมาสแล้วก็เอาสมาธิิสมาอวยมัสมาสติไปแวดล้อมสมาสติแล้วก็ขยายใช่ไหมทําให้สมาสติระลึกไปในกายเวรนาจิตธรรมใช่ไหม แล้วในนจริงๆก็จะไม่ล่มหลงในปรมาระบัญญตัติและทําให้เกิดต่อเนื่องให้บ่อยครั้งแม้มาเรียนก็เริ่มเข้าใจแม้ไปทํากิจต่างๆไขครควญประกอบอาการงานต่างๆนะี่ยเข้าปัญญาตรงนี้ก็จะทํากิจมากขึ้นใช่ไหมความเข้าใจก็จะชัดเจนขึ้นเพราะเรามันไม่ได้ขาดกันนี่ในความมีกรณีความเข้าใจมันขาดอยู่อย่างคือคนไม่ทํำมาหลงลืมสตินะพอมุดทัดสติหลงลืมสติเงี้ยหรือคนฟุ้ง่านเงี้ยก็สมาธิก็ไม่เกิด หรือไอสัตยาไม่มีศรัทธาเงี้ยศรัทธาก็ไม่เกิดหรือว่าเกีเ่ยวกับเรื่องโกสัจฉะเกียรติกานเสียมันก็เสียใช่ไหมล้วก็พยายามประกอบติ่งต่างๆเหล่านี้อพอพิจารณาอย่างนี้รู้สึกมันจะลาลาไปหน่อยก็อาจจะเดินเพื่อคุณบ้างใช่ไหมเดินตามบางคนบางคนเป็นเตือนบ้างเดินเมตตาบ้างก็แล้วแต่เราชํานาญก็ไข ค, ครววอยู่อย่างเงี้ยอ่านว่าทำโอ้โหนี่เราได้ฟังทำฟังทำใช่ไหมมาฟังทำแล้วก็โอ้โหได้ฟังทำชีวิตให้อยู่อย่างนี้จริงๆเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้ใช่ไหม เราลองดูที่ลองเดินให้ได้อย่างต่อเนื่องจริงไในส่วนจริงอินทรีย์แก่กล้าและความเข้าใจในพระธรรมก็จะชัดขึ้นเนี่นเข้าไปเปิดดูสูตรไหนโอ้เข้าใจแล้วความชัดเจนในพระธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นจริงไหมก็จะเป็นใบลักษณะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้ความเพียรใช่ไหมใช้สติแล้วก็ไอสมบัติชญน ญ, ญาเนี่ยได้จริงๆ แล้วความสําคัญว่าสัตว์บุคคลความสําคัญว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆเลือนไปแล้วหนักเข้าหนักเข้าใเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันครอบงํากระแสขันท่าใดยะของเรามานานแล้วทีนี้กรณีใหม่ๆเนี่ยเวลาไปพิจารณาหน่อยเนี่ยด้วยความที่เรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ใช่ไหมในการที่มาไขขัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมือนกับพอไปเจอพวกมิจฉาทิฏฐิเขาก็แรงแรงขึ้นมามันก็ไปทอออกมาเตี้เนี่ยนั่นต้องวิจัยไปเรื่อยๆ ใช่ไหมวิจัยไปเรื่อยๆก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าเจอหน้ากันก็สอบถามกันใช่ไหมคุยกันในเรื่องรักตั้งแต่ยังเงี้ยบ่อยๆไอ้ตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยในกรณีตรงเนี้ยท่านจะกล่าวเข้าไว้เลยท่านกล่าวคือเรื่องของวิจฉาทิฏฐิว่ากรณีที่ว่าเวลาสมาัมมาทิฏฐิวิจชาทิฏฐิต่างๆเป็นต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยในกรณีตรงเนี้ยนะ ท่านบอกว่าในกรณีที่เวลาค่ครวนหรือพิจารณาต่างๆเราเนี่ยว่าตัวสักกายทิฏฐิต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเวลาถ้าปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้ความเห็นผิดของเราเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นงนั้นตรงนี้ทึงนบอกว่าต้องไปค่ครวนและไปพิจารณาเยอะ แล้วในที่สุดจริงๆก็จะละได้เพราะในคําสอนท่านก็จะกล่าวไว้เกี่ยวกับในเรื่องบอกว่าแม้มิตรชั่วใช่ไหมแม้มิตรชั่วน่ะก็เป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิมิตรชั่วเป็นเหตุของทิฏฐิเพราะทิฏฐินั้นเกิดขึ้นก็จะยึดเอามิตรชั่วนั้นเป็นแบบอย่างตามพระบาลีที่บอกว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงเหตุภายนอกเราไม่พิจารณาเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นปลายเพื่อความขิบหายใหญ่เหมือนมิตรชั่วนี่เลยเห็นไหมตรงนี้ท่านสอนอะไรเนี่ยท่านสอนบอกว่าต้องพยายามเวน้นต้องพยายามเวน้นถ้าเรารู้ว่าเออเราเกี่ยวข้องกับคนเนี้ยเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะๆก็พยายามระวังเนื้อระวังตัวเยอะๆ เ, เพราะมันจะทําให้เราเนี่ย เกิดไม่ชาทิถีมากขึ้นใช่ไหมเพราะตรงนี้แหละบางทีเราไม่ค่อยระวังไงเราบางทีเราไม่มั่นใจเหมือนสมัยก่อนธรรมาเนี่ยอยมั่นใจใครจะทาให้เรามีความเว้นผิดได้พอไปครบแป๊บเดียวไม่นานแล้วน้าเข้าน้เข้าเราก็ลืมตัวไปตั้งนานเลยนะหน้เข้ามีแต่เรื่องสัตว์บุคคลเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้แตเนี่ยบางทีเนี่นะเวลาธรรมะต่างๆเวลาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยขันธ์ธาตุยตนาต่างๆเนี่ยธรรมะจะไปฟังนะ มาไม่สนใจหรอกบางทีแต่ก่อนอามาฟังตัวเองฟังที่บรรยายไม่ได้เดี๋ยวนี้มาไปฟังได้นะอฟังไปเสร็จเออจริงอานมาเรื่องนี้นะเขาบอกกระตุ้นตัวเองอ่ะฟังแล้วกระตุ้นใช่ไหมอันมาก็ยังคิดว่าแสตทานมายังอ่อนอยู่นะขนาดทั้งทั้ที่พยายามไคลกรุนขนาดนี้อานมาก็คิดอยู่แตล่ละดวาว่ายังไว้ใจไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้เพราะโลกียธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ที่ห า, าความแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วมันจะหายไปเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องแสตานใช่ไหม เออตอนเนี้ยเราจะเสียหายจะวิบัติไปเพราะอาสัตยิยามาแทรกมาอะไรก็ไม่รู้และอีกอย่างก็ความความวิบัติมันเยอะถ้าสัมมาทิฏฐิเราวิบัติเมื่อะไร่ก็ยุ่อมเลยใช่ไหมยความวิบัติไปอย่างทิฏิเนี่ยนะไอต้ตรงเนี้ยให้ควาพิจารณาที่ท่านบอกอกว่าเว้นจากสัญญาเสียสัจจะขออภัยแม้อโยนิโสมนันิการก็เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิอโยนิโสมนัสการโรปิทิฏฐานังเนี่ยบอกว่า อโยนิโสมานาสิการเป็นเหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายเพราะอโยนิโสมานาสิการเป็นเหตุเฉพาะแห่งอักขระธรรมทั้งหลายและตามพระบาลีที่ท่านจัดไว้ในไหนในมัชฌิมานิการโบราณหน้าจะบอกว่าที่บอกว่าอายโยนิโสเป็นเหตุของอักขระธรรมทั้งหลายเมื่อพโยคาวาจร น, นั้นกระทําไว้ในใจโดยอุบายไมิอันไม่แยบคายทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นมิจ่าทิฏฐิอ่ะ ก็จะเกิดขึ้นแม้มิชั่วก็เป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฐิแล้วตะวันพิจนาเยอะหมดเลยแต่เนี้ยที่ตั้งของทิถินะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วขันทุกขันเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฐิหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นต้นแม้ภาษาแม้สัญญาเป็นต้นร้วนเป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิถิอย่างเนี้ยนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไม่ควรไป ไว้วางใจเขาต้องบอกอมว่าทิฏฐินั่นของเราทิฏฐิเห็นว่าเป็นทิฏฐิเท่าไรเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามละแล้วก็ทําความเข้าใจในการที่จะต้องไปละมิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ให้ได้นี่เป็นไปในลักษณะของมิจฉาทิฏฐิเออประการต่อมาก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะนี่เวลาเหลือไม่มากเลยนะ ถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอัตตาเนี่ยเห็นบอกว่าการที่ไปพิจรารณาถ้ากลุ่มของวิญญาณใช่ไหมเมื่อเราพูดว่าเราเห็นก็คือเห็นอะไรเห็นจักรคูวิญญาณว่าเป็นอัตตาเมื่อพูดว่าการเห็นของเราก็คือเห็นอัตตานั้นมีอยู่ในจักรคู่วิญญาณเมื่อพูดว่าการเห็นนั้นมีอยู่ในเราก็คือ เห็นจักรคุวิญญาณในตาเมื่อพูดว่าเราเป็นผู้สามารถในการเห็นก็คือเห็นอตาในจักรคุยัญเนี่ยในวิญญาอื่นก็เป็นไปลักษณะนี้ถามว่าเราเห็นเนี่ยเพราะไม่เข้าใจลักษณะของจักรคุยัญใช่ไหมแท้ที่จริงจักรคุวิญญาณเป็นผู้เห็นแต่ศาตร์โลกก็เป็นสำคัญว่าเราเห็นใช่ไหมใช่ทีนี้ถ้ายิ่งเราบอกว่าแม้เมื่อวานนี้ฉันเห็นคุณเนี่ยเดินดอมดมดอมดมอยู่แถวตลาด เสรเลยใช่ไหมหนึ่งมดว่าโยมบารวัดบอกว่าเออเนี่ยปเป็นลูกชายสมมุติเมื่อวานนี้มาถามว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นลูกชายว่างั้นเดินอยู่ตลาดไอ้นี่ความสําคัญก็ไปเข้าใจว่าผมเห็นจริงๆหรือยตัวเองคือโยมบารวันตนะตางตัวเองเข้าไปเห็นจริงแล้วก็ไปเห็นในรูปน้ำขันหน้านั้นเป็นลูกชายจริงๆทีนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า ไปเห็นจากขูวิญญาณเป็นอัตตาแล้วก็ทำที่เกิดร่วมมาเป็นสายตามลําดับจากจักรคู่ทวารวิถีเป็นต้นดับเป็นต้นไปเป็นถึงมโนทวารวิถีอ่ะท้าตีตักสมุหะอัถานามรกษานวิถีนะและวในสุดจริงประกอบกันความเข้าใจแล้วเป็นก้อนเบลอเลยอ่ะใช่ไหมในสุดจริงเห็นเป็นลูกเราจริงๆด้วยใช่ไหมผ่านจากขูวิญญาณเข้าใจผิดจากจักขคูวิญญาณเดิมนี่แหละแท้จริงจักรคูวิญญาณเป็นผู้เห็นสีอ่ะ ไม่เข้าใจแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ไข้ครวนผ่านการใไข้ครวญมาเลยเป็นสําคัญว่าจักคุยัญเนี่ยเป็นเราใช่ไหมแล้วหนักไปกว่านั้นหลังจากผ่านจักคุยั ญ, ญแล้วเนี่ยใช่ไหมมโนวรรวิถีเกิดขึ้นเลยเป็นสําคัญว่าสีต่างๆหรือว่ารูป น, นามกันหน้าเนี่ยเป็นลูกเราอัตตายึดสองต่อเลยใช่ไหมเราและของที่เนื่องเนื่องด้วยเราอะอัตตาอัตมีญาตตามมาเลยตัวเนี้ยใช่ไหมมองเห็นใช่ไหม เนี่ยโดยการที่เราเอาเข้าไปอะไรไหมบอาอ่า ใช่ใช่แน่น อ, อ่อ๋อเข้าใจคืออย่างนี้คือคือคือด้ยหลักจริงๆอ่ะเวลาเราพูดในเรื่องของการพูดถึงในเรื่องของวิปัสสนาตรงนี้นะมันก็เลยกลายเป็นวิเชื่อมโยว่าด้วยหลักการจริงๆนั่นอ่ะความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้น่ะคือกรรมผลของกรรมต้องใช้ก่อนใช่ไหม อันนี้ประเด็นเคยพูดหลายครั้งแล้วเรื่องกรรมแท้จริงเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องกรรมดีดังที่ได้กล่าวเราก็จะเห็นว่าอาการ เ, าเห็น เ, เห็นก ร, รณีที่ว่าที่โดยความสมมุติว่าเป็นลูกเราเนี่ยแล้วผู้ที่ไปเห็นนั้นโดยความเป็นสัตว์บุคคลไปเห็นก็ไม่มีอยู่จริงีก ร, รณีที่เราก็ไปเข้าใจในเรื่องของสัตว์กําลังทํากรรมใช่ไหมเราก็กําลังทํากรรมใช่ไหมและในขณะเดียวกันกําลังรับผลของกรรมอยู่ให้เว่าโลกโลกใบนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปดังที่เราเข้าใจกันเนี่ย แล้วก็ไปดูผลบุญผลบาปใช่ไหมจริงไม่จริงเราทั้งหลายมานั่งกันอยู่เนี้ยก็คือทํากรรมและในขณะเดียวกันก็รับผลของกรรมต้องเป็นบุญนี่ถึงได้รับฟังธรรมเนี่ยก็เป็นบุญเก่าใช่ไหมในขณะเดียวกันก็กําลังเจตนาใหม่ก็กําลังกระทำมามาใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันก็ทั้งจากขุยานเป็นต้นเน่ยโสตตาวญญาณเรื่องจะรับผลกรรมเก่าใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจใช่มั้นใช่ใช่ใช่ใชตรงนั้นก็คือตรงเนี้ย ถามบอกว่าโดยพื้นฐานเบื้องต้นการฟังธรรมยังต้องเข้าใจให้ถูกเรื่องสารบุคลคลเช่นว่าเรามาฟังธรรมใช่ไหมกรณีอย่างนี้คือเป็นบัญญัติที่เราเข้าใจกันโดยส่วนใหญ่เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเราไปฟังธรรมมีการบรรยายธรรมในเรื่องของสติปัฏฐานไราก็ว่ากันไปแต่โดยสาระจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงว่าเออเนี่ยที่ขันทั้งหลายมาประชุมอยู่ณนะตรงนี้ ขันต่างๆเหล่านี้เป็นวิบากเป็นผลของบุญใช่ไหมเป็นผลของกุศลกรรมทีนี้ในผลของกุศลกรรมเหล่านี้มีอวิชาตัญหาใช่ไหมมีอวิชาตัญหาแวดล้อมด้วยนะในอดีตเนี่ยแล้วก็มีกุศลกรรมนั่นแหละแต่กุศลกรรมเหล่านั้นมีอวิชาและตัญหาเป็นปัจจัยอยู่แล้วก็พิจารณาอ๋อได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่เรามาประโยคะสมบัติกัน ไม่ใช่ประโยชวิบัติมาคิดในกรณีที่ต้องการจักรู้พระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาก็มีการนําขันเหล่านี้มาประชุมเพื่อฟังธรรมทีนี้การฟังธรรมเนี่ยถามว่าทางโสตวิญญาณที่รับฟังพระธรรมเทศนาเนี่เป็นพระธรรมของพระบรมศาสดาใช่ไหมที่ผ่านท่านผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยเ อ, อทางโสตวิญญาณก็รับอันนี้ผลเลยเนี่ย กระแสขันธาตุอายตนาที่รับพระธรรมผ่านเข้าไปตามลําดับนี้เป็นผลของกุศลที่เราท่านทั้งหลายทำไว้ใช่ไหมและในขณะเดียวกันทางจากขูญญาณเป็นต้นก็รับผลของกุศลกรรมเป็นต้นมีการเห็นพระพุทธโลกเห็นว่าไตรวิฎกเป็นต้นเหล่านี้ยนะเห็นพระเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็เป็นไปตามลําดับแม้ทางมโนทวารต่างๆก็ไข้ครวญไปตามพระธรรมใช่ไหมการไข้ครวญใหม่นี้เป็นประโยคน้าใหม่เป็นเจตนาใหม่ที่เกิดขึ้น แต่การรับผลของกรรมเนะี่ยเป็นผลของกรรมก่อนไหมว่าเออเป็นที่ดูบุญดูบาปแท้แล้วก็เราดูสัตว์กําลังทําบุญทำบาปไหมแต่ตอนเนี้ยโดยมากก็คือรับผลของบุญแล้วก็มาทําบุญต่อเนี่ยนะทีนี้ในะขณะที่เจตนาที่กําลังเป็นไปเออแท้ที่จริงนี่นอะไอความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นมาตามลําดับเนี่ยเออแท้ที่จริงมันไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจ แท้จริงปัญญาก็ดีความเพียรศรัทธาเป็นต้นเหล่าเนี้กลุ่มนามรรมาทําทั้งหลายที่เป็นกุศลกิิติบาทเนี่ยเมื่อมีการผ่านการรับผ่านอยากโสตทวารลวิถีเป็นต้นเหล่านี้พอลงสู่มโนทวารลวิถีใช่ไหมความเข้าใจเป็นไปตามลําดับซึ่งเราไม่รู้เลยปริมาณความเข้าใจน่ยแปลว่าเก็บเกี่ยวไว้เรียบร้อยเบียดเส็จแล้วเมื่อลงสู่กระแสขันธ์าตอายตนะแปลว่าฝังพระธรรมของพระเจ้าลาดรถพระธรรมของพระเจ้าลงสู่กระแสขัน ธ, ธ์าตุอายตนะเป็นไปตามลําดับ โดยมากสัตว์ทั้งหลายก็ไม่จะไม่ค่อยเข้าใจปริมาณนี่มันเพิ่มขึ้นเน่ยเพราะเราให้มีปรรัญญารู้ขนาดนั้นหรอกรายละเอียดว่าแท้ จ, จริงได้ไหมปัญญาที่มันเกิดขึ้นไ ป, ไปตามลําดับอันนี้เป็นกลุ่มของอะไรกลุ่มของนา ม, มาธรรมทั้งหลายที่กําลังเป็นไปกับวัฒรมคําสอนของพระบรมศาสดร า, ท, ราที่มีการฟังอย่างต่อเนื่องใช่ไหมกระแสของความเพียรกระแสของสติกระแสของปัญญากระแสของสัตตินรีย์ทั้งหลายก็เป็นไปกับเสียงของวัฒน์วัฒนนาไปเรื่อยๆ ก็พระไครครวรเบีดเสร็จอความเป็นเราฟังเนี่ยมันกระจายออกไหมถ้าเริ่มกระจายออกแสดงว่าการฟังพระธรรมน่ะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเห่นไหมครูความเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้ฟังเริ่มเริ่มกระจายได้เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าอ้แท้ที่จริงเนี่ยเป็นกลุ่มของไห็นไหมเสียงพระธรรมที่มานั้นน่ะเนไอ๋อเป็นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากกุศลจิตโิบาทที่ท่านพยายามเปล่งออกมา โอการเปล่งวัธรรมออกมาเบ็ดเสร็จเนี่ยปริมาณอย่งการรับการไข้ควรการพิจารณาของเราทั้งหลายใช่ไหมก็ค่าควรไปอันนี้เขาเรียกว่าเข้าใจสรรัตว์บุคคลด้วยใช่ไหมและในขณะเดียวกันแม้จะหยั่งลึกลงไปสู่ควขันตาริจตาเป็นผู้ฟังก็เริ่มเข้าใจด้วยและในขณะเดียวกันยังไม่ดังที่ได้กล่าวแม้การเห็นใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ยกเรืยึงยมวาลวัตเห็ลูกแม้เหมือนกันในขณะเนี้ยมบาลวัตจะมองมาที่อะตมาเป็นผู้กล่าวว่าตามหรือมองไปกับบุคคลผู้ฟังตาม น่ะเข้าเขาเขเนี่ยเพราะพระบอกบอกว่าแท้ที่จริงเนี่ยว่าเราเห็นไม่มีนะแท้จริงจักขคูวิญญาณเป็นผู้เห็นแต่สัตว์ที่มีสักยัติทิติไปเข้าใจว่าเราเห็นคือไปเข้าใจว่าจาักขคูวิญญาณนั้นเป็นเราเพราะไหนจักรคูทวารลวิถีนั่นแหละเป็นประธานแห่งมโนทวารลวิถีที่ไหลมาตามลําดับมาเปลี่ยนเย็นอตีตักคานวิถีสมมหะคณวิถีอัฐักและนามค า, านาวิถี จนเป็นไปตามลําดับของวิถีที่โรงสูรมนโนทวานไอ้ความยึดถือสัตว์บุคคลก็ครอบงําอยู่นั่นแหละเพราะเพราะความไม่เข้าใจในการศึกษาพระธรรมให้ละเอียดลึกซึ้งใช่ไหมก็เลยกระจายหรือทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ได้แต่พอเข้าใจาโอ้แท้ที่จริงจกักขูยิญญาณเห็นสีไม่ใช่เห็นนะเราไปสมการว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้แท้ที่จริงไม่ใช่จกักขูยิญญาณก็ทํากิจเพียงเห็นสีใช่ไหม และในขนาดเดียวกันก็คือว่าเมื่อจักกุญญาณเกิดหลายร้อยหลายพันรอบเป็นต้นเหล่านี้ยอตีถาก็ยังเห็นด้วยความเป็นสภาวะประมาถ ธ, ธรรมอยู่เลยแม้สมุหักรวบรวมมาสีต่างๆนั้นก็ยังเป็นสภาวะประมาถ ธ, ธรรมแต่อัตถาก็เห็นเนื้อความแล้ว นมามมัคก็ไปเข้าใจโอท่านผู้นั้นผู้นี้เห็นไหมการสืบต่อกันอย่างยาวนานของวิถีจิตต่างๆแต่มิจฉาทิฏฐิก็เข้ามาครอบที่หลังปุ๊บอ๋อสัตว์เป็นผู้ฟังธรรมสัตว์เป็นผู้แสดงธรรมสัตว์มาเป็นผู้นั่งฟังธรรมหรือเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ฟังธรรมเป็นต้นอ๋อตรงนี้เห็นไหมแต่เมื่อศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้ามากขึ้นนะข้าก็ใช้สมาธิทิ่ไปแวดลอ้อมสมาธิที่เคยเกิดขึ้นมา แล้วก็เอาสมาวยิมะเพียนลัมิจ่าที่ติเข้าถึงสมาธิิสติก็ตามลึกรักมิจ่าที่ติเข้าถึงสมาธิิแล้วก็ทําสมาธิิให้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังทำไปเรื่อยเงี่ยนะในสื่อจริงเข้าใจไหมเนี่ยก็เป็นไปรัก อ, อย่างนี้ไอาระบอลอาจารย์บอลอ่จบ ก็จะวันกลับไปบ้านตอนนี้ยโยว้ากลับบ้านแล้วอังว่าไปอ่าใช่ <c ười> ใช่ ใช่เพราะใช่ยิงเพราะเออเพราะอะไรตรงเนี้ยแม้เป็นเรื่องสําคัญมากประเด็นในความเข้าใจประเด็นที่นั่งฟังตรงนี้เข้าใจทีนี้กลับไปบ้านความเข้าใจหาย <c ười> ใช่ไหมเหตุที่ความเข้าใจหายเพราะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องในบ้านเราไม่ค่อยได้วิจัยใช่ใช่ กรณีถ้าถ้าหากว่าเราเราไปเข้าใจนะสมมติกลับไปแล้วไปวิจัยได้อ๋อใช่ไหมใช่ใช่ใช่แน่นอนนะตรงกรณีแห่งความตั้งใจบ่อยๆ การตั้งใจบ่อยๆบางครั้งตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่มาใช้คำว่าสมาทานสมาทานบ่อยๆคือตั้งใจบ่อยๆคือตั้งใจว่าของจริงเป็นอย่างนี้ครั้งใดที่เราไปเห็นอย่างนี้ให้เข้าใจแต่ว่าความเข้าใจไม่ถูกเกิดขึ้นแล้วตั้งจิตอย่างไร อ๋อเข้าใจตรงนั้นปรมัตถ์และบัญญัติจะทํายังไงให้ความเข้าใจเป็นกระจายไปมากๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ทํายังไงจะให้ให้เข้าใจเพราะว่าเออตรงเนี้เป็นเรื่องสํงาคัญว่าว่าพูดเรื่องให้ใค่ายควรให้เข้าใจเรื่องรบรมัตถแต่ก็ต้องเอาบัญญัติมาเป็นผู้กลา ใช่ไหมอเอ อ, อจะทํำยังไงที่หนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าภาษาใช่ไหมภาษาการสื่อกันเพื่อจะให้เราเข้าไปไขขวดให้ถูกต้องถ้าไม่อาศัยภาษาในการสื่อเราจะไม่ได้อย่างที่กล่าวเนอะใช่ทีนี้การการตั้งจิตเนี่ย <ynen. S 2> การตั้งจิตในการพิจารณาการตั้งจิตในการกล่าวว่าตามอะไรต่างก็แล้วแต่การตั้งจิตในการฟังธรรมสาคัญมาก สำคัญมากว่า เ, ออเราเราฟังพระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะว่าการฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยเราปรารถนาอะไรใช่ไหมเพื่อเราปรารถนาจะสร้างอัธยาศัยกับการพ้นทุก่์ใช่เออแต่การที่จะบ้นทุกข์แปลว่าจะต้องทําพิพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงๆจากการฟังเป็นต้นเหล่าเนี่ยคือจะต้องมีปัญญาที่เป็นสมาธิที่แยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นสมาธินะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิกาลังเกิดขึ้นนะ แล้วก็ต้องพยายามกระจายที่สิ่งที่เป็นวิชาทิฏฐิให้ออกไปให้มากใช่ไหมโดยเฉพาะว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้เป็นของใหม่ในปัจจุบันพนี้ที่เรายังไม่เคยมาไข้ควรกันแบบนี้ด้วยซ้ําไปใช่ไหมเมื่อมาไข้ควรไม่เคยไข้ควรเลยเนี่ยก็เป็นของหนักสําหรับหลายๆท่านในกรณีที่จะต้องมาตั้งหลักในการพิจารณาใช่ไหมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้แล้วเป็นร่องเป็นรอยเป็นช่องทางในการที่จะทําให้เราเข้าถู่ประตูของสมาธิิได้ชัดเจนขึ้น ฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักอย่างนี้ได้เส็จก็ต้องคอยสังเกตว่าตอนเนี้ยมันเข้าไปครอบงามอีกไหมความเข้าใจในความเป็นสัตว์บุคคลมันมันรุนแรงหรือเกินไงนนะเพราะการวิจัยของเรามันมีกําลั ง, no, งน้อยไงียนะตรง น, นี้ก็ต้องคอยสังเกตในการปังใช่ไหมเพราะโอกาสที่จะเกิดนั้นมากแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือเมื่อเราใคล้าครวนอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เป็นสภาวะที่เป็น โลกกันสมมติกันขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นความจริงที่เราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นเราก็วิจัยให้เข้าใจและในขณะเดียวกันเราสามารถจะวิจัยเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงก็ได้ด้วยแปลว่าเห็นทั้งสองส่วนได้ด้วยแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันด้วยตรงเนี้นะสำคัญมากคําว่าไม่ขัดแย้งในที่นั้นก็หมายความว่าจะเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเราก็เห็นอย่างผู้เข้าใจจะเห็นด้วยความเป็นปรมัตเราก็เห็นอย่างผู้เข้าใจไม่ใช่เห็นอย่างผู้มืด ไม่ใช่ว่าแม้ไปเห็นปรมัดแล้วก็ไปเกิดความรู้สึกว่าแม้อันนี้ก็ไม่ใช่อนั้นก็ไม่ใช่นั้นก็ไปใหญ่ใช่ไหมในส่วนจริงเราจะโดนมิจาฉาทิฏฐิเป็นผู้หลอกเราอีกทั้งตรงนี้ยตรงเนี้เราก็ต้องให้เข้าใจตรงนั้นและในกระดาษเดียวกันเวลาเรากลับไปเทียบเนื้อที่ต่างๆซึ่งไม่ได้มีการฟังว่าทำแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปใช่ไหมเพราะทำแรงกระตุ้นต่างๆเหล่าเนี้ยการไข้ก้นต่างๆก็จะหายไป แรงไข้ควนต่างๆแรงกระตุ้นต่างๆจะปัจจัยภายนอกก็เริหมายตอนนี้ปัจจัยภายในเราต้องชัดคือโยนิโสมนัสการนี่สำคัญมากเลยอาศัยสื่อด้วยบัญญัติอ๋อน่ถามผู้พูดว่ากันเถอะอ๋อ อ๋ออย่างเราะคือคืออ๋อเอาพูดพูดหรือพูดบังเอาพูดพูดนียถ้าในกรณีของพูดพูดใช่ไหมเวลาเหลือน้อยจ้นนเนี่ยเออถ้าพูดพูดเนี่ยในขณะที่กล่าวเนี่ย เพราะในขณะที่กล่าวไปเนี่ยแท้จริงนะว่ากรณีเนี่ยว่าถ้ามีความเข้าใจในคําสอนเคยตรึกมาจนไข้ควรแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เคยตรึกเนี่ยก็ลําบากใช่ไหมนี่กลุ่มนี้คนที่เขาตรึกมาอย่างไข้ควรอย่างช่ําชองแล้วเนี่ยในขณะที่เขาพูดพูดไปแต่ละครั้งแล้วกรณีที่หยุดแต่ละครั้งเนี่ยในขณะที่หยุดแต่ละครั้งนั้ปัญญาเข้าไปทบทวนทันดีนะทำให้ mm hmm. ปัญญาเข้าไปทํากิจทันดี ในกรณีที่เบื้องต้นจริงๆเนี่ยเขาท่านแก่กรณียังไงกรณีกรณีที่บอกว่าเสียงเสียงที่เปล่งไปเหล่าเนี้ยมีนามมาทําคือกุศลจิตวบาต ท, ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือไม่นั่นเบื้องต้นหรือว่ามีการขับเคลื่อนด้วยด้วยอกุศลจิตในกรณีที่กล่าวแต่ละครั้งแต่ละประโยคที่จบลงไปเนี่ยนะนั้นกลับทบทวนทุกครั้ง คือคือกรณีเมื่อเป็นไปเบสเสร็จแล้วนี่จะเร็วมากสําหรับคนที่มีความความเร็วในการคิดแล้วนี่นะแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยจะเป็นช่วงๆคือพูดพูดหยุดแล้วหยุดพอหยุดเบเสร็จก็กลับไข้ควรว่าอ๋อเนี่ยรูปธรรมอารูปธรรมที่เป็นไปในขณะขณะพูดใช่ไหมรูปธรรมและนามธรรมต่างๆเหล่านั้นกำลังเป็นไปแล้วต่างๆเหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันพอหยุดปุ๊บเนี่ยรูปธรรมอารูปธรรมต่างๆในขณะที่พูดจบประโยอไปเหล่านั้นรูปธรรมอรูปธรรมเหล่านั้นน่ะ ก็ก็หมดไปแล้วในขณะที่หมดไปแล้วโอ้มันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้นะกุศลที่เป็นปัจจัยการพูดเป็นต้นนะก็ดับไปแม้แต่รูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มีการเปล่งออกมาต่างๆเหล่านี้ก็มีการหมดไปจริงๆนะเนี่ยลักษณะนี้ให้เห็นด้วยความเป็นรูปเป็นนามก่อนนะโดยความเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนี่ ใช่ใช่คือใช่อ๋อใช่ในในรายละเอียดตรงนั้นน่ะเมื่อมันชํานาญแล้วเกิดจริงๆแต่กรณีที่ว่าเวลาจะพูดออกมาเป็นบางทีเกิดประเด็นคําถามเนี่ยเหมือนคนถามม า, มาว่าจะคิดยังไงบางทีเราคิดมาจนไม่เคยคิดจะเอาคำพูดตรงนี้มาบอกใช่ไหม คล้ายๆคิดมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเริ่มคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จํ า, าจไม่ได้แล้ว<ม>พราะคิดมาจนเป็นอัธยาศัยสมมุติอย่าเงี้ยนะ <c oughs> ้าคิดมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็กลายเป็นเป็นมีกําลังแล้วในการคิดทีนี้ประเด็นต่อมาคือบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาไล่ไล่เรียงในลักษณะนี้ก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งในะขณะที่พูดเนี่ยหนึ่งดึงดึงคำพังพีมากล่าวก่อนเบื้องต้นนะแต่นี้ในความเป็นจริงอีกจุดหนึ่งก็คือว่า ที่ต้องเกก็คือว่าเจ้าตัวอย่างเช่นว่าเออเนี่ยในเบื้องต้นก็คือว่ากล่าวพระธรรมของพระเจ้าบูชาคุณของพระทเจ้าตั้งใจไว้ว่าพระธรรมที่จะกล่าวเนี่ยขอให้เป็นไปตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้าจะไม่สอดแทรกในสิ่งที่ไม่เป็นพระธรรมคําสอนพระเจ้ามาใส่ในพระธรรมของพระุทเจ้าให้เป็นของแปดเปื้อนที่เจรานาตรงนี้เป็นการเคารพบูชาคุณของพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้และในขณะเดียวกันก็คือว่า เมื่อเข้าใจในการที่กล่าวทําสัตย์ทายเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วต่อมาไหมในขณะกล่าวไหมแล้วก็เอ๊ะเราจะต้องมองผู้ฟังอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วก็ต้องเอ๊ะจะสําคัญความผู้ฟังเนี่ยแท้จริงอ่ะโดยสมมติบัญญัติก็เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนะแท้จริงเป็นกลุ่มของขันท่าใดเยนะให้เวลาจะมากล่าวว่าขันอัยยานธาตุกาลังเป็นไปนะใจเขาอัตมาก็น้อมไปอย่างนั้นจริงจระน้อมไปจริงว่าเออในขันท่าอายาัยยานธาจริงๆมาเป็นผู้ฟัง สักความเป็นศาสตร์บุคคลเนี่ยก็คือโดยโดยสมมุติบัญญัติก็มีอยู่จริงและในขณะที่พูดเรื่องอะไรใจมามาก็น้อมไปในเรื่องตรงนั้นถ้าพูดเรื่องขันพูดเรื่องว่ารูปเนี่ยนะความสําคัญของเวทนาเป็นตนมันก็สําคัญว่าเอ อ, าาเ อ, อจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆความเข้าใจก็จะเจาะเข้าไปตรงนั้นจริงๆว่าสัตว์โลกไม่ไปเข้าใจไอ้ตัวเวทนาเป็นตนหรือยอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่พ่อไปพูดถึงว่าจักคูวิญ ญ, ญาณเนี่ยไปเข้าใจว่าจักคูวิญ ญ, ญาณเป็นผู้เห็นตัวเรา เราเป็นผู้เห็นไม่ใช่จากกุญญาณเป็นผู้เห็น อ, อันมาก็ไปเข้าใจโอ้เนี่ยสัตว์โลกเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแม้เราก็เข้าใจอย่างนั้นมาว่าแท้ว่าไปเข้าใจตัวจากกุญญาณเป็นเราแท้จริงจากกุญญาณทากิจในการเห็นจากกุญญาณเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเพราะจากาาจากุญญ า, ศ า, นาณา น, นั้นต้องอ า, าศัยจักรวิสัชน์เป็นไปจากกุญญาณต้องอาศัยเวทนาสัญญาสังขารเป็นไปจากกุญญาณนั้นต้องอาศัย ปัใจจัยในอดีตเป็นไปและจกักรวิญญาณต้องอาศัยอารมณ์เป็นไปจกักรวิญญาณต้องอาศัยปัจจัยทั้งเยอะแยะด้วยความที่เราเนี่ยไปลุมล่มหลงทั้งๆ ท, ที่ฟังพระธรรมมาแล้วก็ไม่ค่อยระลึกนี่นะแต่พอเราไม่ได้มากล่าวอย่างนี้เสมอเหมือนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนสติทําให้ระลึกได้บ่อยๆระลึกได้บ่อยๆมากนน็คิดอย่างเงี้ยนั่นในขณะที่กล่าวด้วยธรรมแต่ละครั้งมาถือว่ามาได้ฟังธรรม้วยเป็นยังไงได้ฟังธรรมแล้วก็น้อมไปที่ขัดเก่าตัวเอง และในขณะเดียวกันก็บอกแล้วก็ตั้งจิตนะบางทีอาจมาอธิษฐานว่า อ, อพระธรรมที่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจในการกล่าวเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายที่ฟังพระธรรมนั้นนะ่ะขอเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากยิงๆขึ้นเถอะและในขณะเดียวกันนะขอให้ท่านเหล่านั้นประชุมใช่ไหม สิขาสมหรือฐานศีลภ า, าวนาเนี่ยในส่วนจริงๆของท่านเหล่านั้นน่ยพ้นจากวัฏจะทุกข์แล้วมาจะคิดมากคิดระบ่อยมากไอความรู้สึกตรงเนี้แล้วจะมีความคิดตลอดว่าไอท่านเหล่านั้นเน่ยเออได้ฟังธรรมของพระบระมศาสดานะว่างั้นนะแล้วก็น้อมถึงพระบระมศาสดาน้นโดยผ่านที่พระเจ้าเป็นผู้กล่าวเรืออ่องแต่มาผู้กล่าวเท่านั้นเองอันมาทํากิจในฐา น, นะเป็นผู้กล่าวาวิธีทำของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายมีฐานะในการว่าเออพยายามตรึกตามแล้วก็ให้มีความเข้าใจในระธีทำของพระบรมศาสดาและในส่วนจริงให้ ประชุมสิกขาสามแล้วก็เป็นประชาการวุนทุกในอนาคตอันใกล้ด้วยไอ้มาคิดแบบเนี้ยก็คิดบ่อยๆไอ้มาใช้คิดบ่อยๆทุกเรื่องออ้มาวิจัยใช่ไหมทุกๆเรื่องพยายามวิจัยใคร่ครวน และในขนาเดียวกันว่าฟังเขาเล่าเรื่องอะไรต่างๆอันมาจะคิดสองมุมมุมหนึ่งก็คือว่าเอาพยายามรู้เรื่องที่เขาพูดน ะ, ะว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามไปเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆให้อันมาคิดสองมุ ม, ม, มใช่อันนีาจะเป็นใบ้เรื่องพยายามระวังจิตอย่างนั้นตลอดเวลาแม้จะไปนั่งรถไปไหนไปคุยกับคนที่รู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะอะไรก็แล้วแต่อันมาก็จะวางใจไปอย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดว่าอารมณ์ใดต่างๆแล้วมาต้องไม่ประมาท เพอสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายังวิจัยน้อยมากเพราะความเพียรของเราสติของเราต่างๆเหล่านี้ก็ยังเกิดไม่บริบูรณ์เนี่ยนะก็จะไม่พยายามประมาทในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไบรัรกษณ์นันะ่นจะหมดเวลาแล้วต <c oughs> <c oughs> ามเข้าใจนะเอาเอาเอา